จิตตภาวนาเท่านั้นถ้าไม่บำเพ็ญจิตตภาวนาไม่เจริญนส ม, มถาัภาวนาไม่เจริญนวิปัสสนาภาวนาธรรมที่ได้รับ ก, การถ่ายทอดจากพระไทยของพระพุทธเจ้าและของภาษาทั้งหลายยังไม่ได้เป็นธรรมแท้สำหรับผู้ฟังอย่างพวกเรา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 ใจของพวกเรายัางไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้เข้าข้างในยังอยู่ข้างนอกอยู่ยังอยู่กับรูปเขียงกินพพ่นรสโผฏฐะยังอยู่กับราบยศสรรเสริญยังอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เลยไม่มีความสามารถที่จะฆ่าตัณหาดับความทุกข์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 หลงผิดได้ทําให้คิดว่าเพียงแต่าหาหนังสือหรือเพียงแต่คิดพอเข้าใจว่าทุกเกิดจากอะไรและวิธีดับทุกดับด้วยอะไรก็คิดว่าตอนเองได้บรรลุแล้วได้สําเร็จแล้วอันนี้ก็เป็นเพียงความคิดเป็นความตู่ว่า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 ภาวานานี่เองส ม, มะถะภาวานาและวิปัสสนาภาวานาเพราะเวลาทำใจให้สงบได้ใจจะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ชั่วข่าวปล่อยวางรูปเสียงกินรสโผฏฐะล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็เข้าไปสื่ความสงบ เข้าไปสู่อุบเบกขาเข้าไปสู่สัจจะวัลุตอนนั้นน่ะเรียกว่าเป็นการปล่อยวางแต่ก็เป็นการปล่อยวางชั่วคราวไม่ถาวรเพราะต้องออกมาสัมผัสรับรู้กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญากลับมาสัมผัสรับรู้กับรูป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 ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุ้ก็จะไม่มีใครรู้จักวิธีกำจัดกิเลสตัณหาได้อย่างถาวรก็จะกำจัดหลือดับกิเลสตัณหาไว้เพียงชั่วคราวเช่นในขณะเข้าไปในสมาธิเข้าไปในความสงบนี่คือจุดสูงสุดของ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 กว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาค้นพบวิธีดับกิเลสตัณหาอย่างถาวรมาตัดสโรตัดสโรวิธีรู้เหตุว่าความทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหารู้เหตุที่จะดับกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจา ก, จ, ากจิตจใจอันนี้ถึงจะสามารถ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 ที่แท้จริงและความสุขความนั้นแตกต่างกันอย่างไรไม่เคยรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนรู้แต่ความสุขครอมรู้แต่ความสุขที่ได้รับจากการกระทำตามความอยากต่า ง, งเวลาอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็คิดว่าถ้าได้เสกแล้วจะมีความสุข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 ปตินี้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดสมาธิเกิดความสงบแล้วเมื่อมีความสงบแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสงบด้วยการทําลายตันหายิเล่ต่างๆที่เป็นตัวที่จะมาคอยทําลายความสงบที่ได้รับจากการเจริญส ม, มถะภาวนาทุกครั้งที่มีตันหาความอยากจะต้องทําลายมัน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 ด้วยการรักษาศีลแปดถึงจะสามารถทำให้เรามีกำลังพอที่จะออกมาปีกวิเวกอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้เจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราไม่อยู่ตามลำพังอยู่ในสถานที่สงบสงดัดจะมีเรื่องราวต่างๆมาคอยอามาคอย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 นี่คือเรื่องของการปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติก็ต้องมีศีลแปดก่อนจะมีศีลแปดก็ต้องมีศีลห้าเพราะศีลห้ามันง่ายกว่าศีลแปดและก่อนที่จะมีศีลได้ก็ใจก็ต้องไม่ขวนขวายไม่โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าหาเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้น ถ้าหาเพียงเท่านี้แล้วการรักษาสินจะ ง, ง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องหามากเมื่อไม่ต้องหามากก็ไม่ต้องใช้เลขเลขกลนต่างๆใช้การผิดสิน ม, มาเป็นเครื่องมือในการหาเงินทองมากๆอย่างพ้านี่ก็หาด้วยการบินบา巴เดินไปบินบา巴แต่ใครจะให้ก็ให้ไม่ให้ไม่ใส่ก็ไม่ว่าอะไร ไม่ต้องมาโฆษณาชวนเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ได้บรรลุขันนู้นขันนี้แล้วเป็นระบาดไปตามมีตามเกิดเพราะว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะักอาหารเพียงพอที่จะให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งก็พอแล้วออถ้ามีความมากน้อยสันโดษแล้วก็จะรักษาศีลห้าได้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 จากขั้นทานขึ้นไปสู่ขั้นศีลจากขั้นศีลขึ้นไปสู่ขั้นภาวนาตามลําดับอย่าอย่าปฏิบัติให้ติดอยู่เพียงขั้นใดขั้นหนึ่งควรจะผักดันตัวเองว่าถึงเวลาแล้วเราทําทานมามากพอแล้วถึงเวลาที่เราต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถึงเวลาที่เราต้องรักษาศีลอของ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 ใจก็จะได้ความสงบได้สมถะภาวนานี่แหละคือกิจกรรมที่พวกเราควรที่จะวขวนขวายกันควรที่จะผลักดันตัวเราต้องบังคับตัวเราเพราะการกระทำเหล่านี้ก็เหมือนกับการรักษาร่างกายเราต้องบังคับถึงเวลากินยาเราต้องกินยาถ้าปล่อยให้เป็นไปตามความอยากแล้วมัน มันจะไม่เกิดถึงเวลาที่จะต้องทําตามหมอสั่งเช่นให้อดนั่นอดนี่ไม่ให้เกิง น, นั่นเกิดนี่ถ้าอยากจะรักษาโรคให้หายก็ต้องทําตามหมอสั่งก็ต้องบังคับตัวเองให้ทําตามที่หมอสั่งดังนั้นถ้าเราอยากจะหายจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้เรากระทากันก็คือให้เราจเจริญ ปฏิบัติทำขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นการเข้าไปสู่ขั้นศีลเข้าไปสู่ขั้นภาวนาไปปีกวิเวกไปเจริญสติเดินจงกรมไปนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมสลับกันไปแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะค่อยหายไปตามลํำดับมันไม่ได้หายแบบทันทีทันใด ห, หายไปหมดมันก็ค่อยๆหายไป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 จังรีบขวนขวายกันยังพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาความเสื่อมอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลามันจะน้อยลงไปทุกวันทุกวันเวลาที่เราจะได้รักษาจิตใจของเรล่านี้มันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าประมาชนใจอย่าพัดวันประกันพรุ่งยงรีบปฏิบัติตั้งแต่เริ่มตาขึ้นมาเลย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 การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อยาบถาวาบวาหาภูลาปริคุเรนติสาคาลังเอวเมวะอิตโตทินางเตตานางอุปกาปฏิวิชิตังปฏิตังตุนหังพิตาเมวะสมิจโต สัพเพประตุสังกปาจันโทปนะระโสยามิโชติระโสยทาสัพพิโยวิวัชานตุสัพพรโวินสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทิฆายุโกภวา อาิวาธนศรีลิธสฤทจังวุธาปจายโนจัตารโอธรมาะวะทานติอายุวโนสุขาาังภาลัในลำดับต่อไปก็ให้ญาติโยมได้เข้ามาถวายข้าวของมารับหนังสือและซีดีวันนี้มีหนังสือเล่มใหม่มาเรียก เชื่อว่าธรรมะจากใจเป็นหนังสือของหลวงตามหาบัวใครที่อยู่ช่วยจับหนังสือช่วยเกานาหยิบหนังสือธรรมะจากใจมาเพิ่มต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมถ้าท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟน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 คำถามแรกจากคุณปุ๊กเวจิทเทอร์โบไม่สบายใจที่ลูกเริ่มเป็นคนพยาบาทจะบอกเขาอย่างไรดีคะครูสอนให้มีความเมตตาสอนเขาว่าความพยาบาทนี้เป็นเหมือนไฟนรกผู้ที่ทุกไม่ใช่คนที่เราพยาบาทแต่เราต่างหากที่เป็นคนที่ทุกเพราะว่าเวลาเกิดความพยาบาทแล้ใจเราจะรอ้อนเราจะกินไม่ได้เลยแม่หลับ แต่คนที่เราถูกพยาบาลนี้เขาไม่รู้เรื่องหรือเปล่เขาก็อยู่ของเขาไปตามปกตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วถ้าเราไปทําตามความอาฆาตพยาบาทแค่จะเกิดการจองเวรจองกรรมขึ้นมาเราไปทําร้ายเขาเขาก็จะโกรธอาฆาตพยาบาทมาเขาก็จะกลับมาทําร้ายเราวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้อภัยแทนเมตตา คิดเสียว่าเป็นการใช้นี่ก็แล้วกันเราอาจจะไปพูดไปทำอะไรทำให้เขาไม่พอใจเขาก็เลยต้องมาพูดมาทำอะไรให้เราไม่พอใจถ้าเสียว่าจบแค่นั้นก็พอถ้าไม่ใช่นั้นนะเราจะเดือดร้นอนเราจะมีเจ้ากรรมนายเวรคำถามข้อต่อไปจากคุณจีรวัน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 เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับสัตว์ใดราัานัง้นการกินยาเพกกื่อที่จะรักษาโรคภยัยใข้จ็จังไม่ถือว่าเป็นการทำปาณาติบาตคำถามข้อสุดท้ายจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะจากคุณปัชชยาเลิศเจริญโชคทุกในใจจะแก้ไขยังไงใช้ทั้งสวดมนต์การบำเพ็ญภาวนาก็ยังทุกอยู่ค่ะ วิธีที่ถูกแล้วเพียงแต่ว่ายังทําน้อยไปงั้นการรับประทานยาหมอให้ให้ยามา20เม็ดรับประทานไปเม็ดเดียวแล้วก็บางที่จะให้โรคภัยหายยังไม่หาต้องกินตามที่หมอสั่งกินยาให้เช็น ย, ยาปฏิชีวนะนี่ธรรมดาหมอจะให้เป็นชุดต้องกินอย่างน้อยห้าวันวันละสี่เวลาคือย20เม็ด แล้วโรคไัที่เกิดจากเชื้อโรค ก, ก็จะหายอะไดความทุกข์ใจก็เหมือนกันความทุกข์ใจก็จะหายจากการสวดมนต์จากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญารเฉพาะว่าเราต้องทําไปเรื่อยๆ <c oughs> จนกว่าความทุกข์นั้นจะหายไปถ้ายัางไม่หายก็อย่าหยุดทำเช่งส่วนมนต์ไม่ใช่ส่วนแค่ สองสามทีแล้วก็คิดว่าจะให้ความทุกขายไปเลยสวดอาลังสามมาสวัสดค้าโตสุกติปานโนโจนแค่นี้ไม่พอต้องสวดไปสวดไปทั้งวันอย่างนี้สวดไปทั้งวันแล้วใจเห็นผลว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้มันเริ่มผ่อนคลายแต่มันจะไม่หายด้วยเกิดจากการสวดนตอย่างถาวรเวลาใดที่เราไม่สวดมันก็ เจะกับมาได้ถ้าเราอยากจะให้หายอย่างท้าวลเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจรารณาความทุกข์ของเราว่าเกิดจากอะไรความทุกข์พะเจ้าจก็บอกว่าเกิดจากความอยากเราก็พิจรารณาดูว่าตอนนี้เราอยากกับอะไรเรื่องอะไรเช่นอยากกับสามีอยากกับภรรยาหรืออยากกับเงินทองหรืออะไรก็ได้ เมื่อเราพิจารณาดูว่าแล้วเราอยากแล้เราไม่ได้ดังใจอยากเพราะอะไรเก็ <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นอนัตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนัตาหรือเห็นว่าเขาเป็นวิญญาณเช่นสูญเสียสิ่งที่เรารักไปแล้วอยากให้กลับให้เขากลับมาใหม่เขาก็ไม่กลับมาเพราะว่าเขาไปแล้วเราก็ต้องยอมรนะับความจริงว่า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 ทีนี้เนี่ยธรรมะตรงเนี้ยระหว่างความหมายของพระ อ, อาจารย์กับความเข้าใจของโยมท่านนั้นถูกต้องไหมคะการเขมไม่ถูกต้องาการการที่เราเห็นความเสื่อ มัเพื่อที่จะทําให้เราหยุดความอยากแต่ถ้าเรากับเห็นความเสื่อมเราใช้เป็นเหตุ <c oughs> หเราทําตามความอยาก <c oughs> ก็ยิ่งแสดงว่าไม่เห็นจริงเ <c oughs> พราะเราไม่คิดถึงว่าพอเราต่างกายเราเสือ่อมไม่สามารถ ท, า ท, าทาําตามความอยากเราได้เราจะทําอย่างไร <c oughs> มันจะเป็นปัญหาตอนนั้นตอนที่เพราะวาเวลาเราทําตามความอยากแล้วมันไม่หยุดไม่พอแต่ถ้าทําตามความอยากแล้ว เองก็พอไม่ต้องทำอีกต่อไปก็ดีแต่ี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นยิ่งทางตามความอยากมันก็ยิ่งเพิ่มความอยากแล้วพอร่างกายมันแก่มันจะตายมันทำไม่ได้ดังนั้นจะทุกข์ทรมาร์มากถึงต้องมาหัดหยุดเสียก่อน <c oughs> ก่อนที่ชิ่นร่างกายจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ถ้าเราหยุดความอยากของเราได้ต่อไปเวลาร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อน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 ความเย็นก็ต้องมีร่างกายทีนี้ต่อไปเวลาร่างกายมันหมดสภาพเข้มเป็นอมนพลึกอมผาาไปจะทำอย่างไรหรือเป็นโรคที่หมอบอกว่าจะต้องตายไปภายในสามเดือนหกเดือนประมาณนี้ก็เลยใช้วิธีฆ่าตัวตายหนีความทุกกัรนี้กันไปเรื่องฆ่ามี้ก็ฆ่าผิดคนอีกละคนที่เป็นปัญหาไม่ใช่ร่างกายคนที่เป็นปัญหาก็คือความอยาก ผลที่เราต้องฆ่าก็คือความอยากเพราะมันเป็นตัวทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราฆ่าความอยากได้ต่อไปร่างกายจะรับใช้เราหรือไม่รับใช้เราก็ไม่เป็นปัญหเพราะเราไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายห า, าสารสนให้กับเราเพราะเรามีความสุขภายในใจของเราที่เกิดจากการปฏิบัติบำเพ็นสมนถะและวิปัสสนาธรรมนี่คือ สิ่งที่ให้เราพิจารณเพื่อให้เราปล่อยวางความสุดต่างๆซึ่นเป็นความสุขกลอมแล้วมาหาความสุขแท้ความสุดแท้ก็คือการทําใจให้สงบการดับตัณหาการละตัณหาความอยากต่างๆเพราะถ้าไม่มีความความอยากแล้วใจจะอยู่อย่างสุขสบายอยู่เฉยๆได้เป็นสุดแต่ถ้ามีความอยากต่อให้มีเงินทองกี่ร้อยล้านมีตำแหน่งสูงขนาดไหนอยู่เฉยๆไม่ได้ ดูเฉยๆนั่มันจะหมดหน็ดขึ้นมา ท, าทนันทีต้องมีงนั่นดูต้องมีงนั่นฟังก็มีอะไรทำให้มันเพลิดเพลิให้มันหายคันแต่มันก็ไปเกาไปไปเกาผิดที่ขาดอมืองที่หลวงตาบอกหมาที่เลี้ยมันไปเกาผิดที่ต้องเกาที่เมือนคันไอ้ตัวที่ทำให้เราคันก็คือตันหาความอยากถ้าเราดับความอยากได้แล้วอ่ความหงุดควา ม, มเา ม, มอนการใจและไรต่างก็จะหายไป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 ถ้าเราลักษณะลักษณะอย่างเนี้ยเราจะทํำยังไงจึงจะเข้าถึงศีลของพระริยะเจ้าได้ครก็ต้องจเจริญวิปัสสนาพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาเวทนาความรู้สึกตา่างๆไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันอย่าไปปกป้องรักษาด้วยการฆ่าผู้อื่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 ขาดทุนไปเปลาๆผู้ที่มีสมาธิผู้ที่มีปัญญาจะสามารถปล่อยวางร่างกายไา้ปล่อยวางเวทนาได้ก็จะรักษาสิ่งห้าด้วอย่างบริสุทธิ์เพราะว่าหรือว่าถ้าไปทำติดสิ่งผู้ที่รับบาปก็คือก็คือเราผู้ที่กระทำนี้ไม่ใช่ร่างกายเราไปคอบควาไปปกป้องรักษาร่างกายแล้วเราเป็นคนไปทําบาปและเพื่อเราต้องไปรับผลกรรมเอง ทำไปทำไมปล่อยร่างกายมันเป็ี่ยนไปตามเรื่องของเราอยากไปทำบาปมันจะเห็นชัดเวลาที่เรามีสมรรนะถภาณาใจเราสงบแล้วเวลาใจเราคิดที่จะปกป้องรักษาร่างกายมันจะทุกขึ้นมาทันทีเวลาที่เราปล่อยปั๊บใจเราจะเยน็นทันทีเราก็มีวิธีว่าเราต้องใปล่อยแล้วก็สบายเปิหม่เปิดใหม่ กพระอาจารย์ครั บ, รรบกำลังถามเรื่องศีลห้าพอดีครับคือศีลห้าสำหรับปุตุชนนี่คุมกายและใจด้วยหรือเปล่าครับคือศีลห้ามันอยู่ที่วาจากับกายการกระทําทางกายกับทางวาจาแต่มันก็มีใจเป็นผู้สั่งให้กระทำเพราะฉะนั้นมันจะว่าใจว่าแต่กายกับวาจาเป็นอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันก็อยู่ที่ใจด้วย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 ต้องบังคับว่าไม่ค่าไม่รักทรัพย์ไม่ ก, กมระดุกกริกตัวเวงนีไม่พูดปกกไม่เสียจจราญยยนี้น mm hmm. แต่การแก้ที่ปลานี้มันจะแก้ไม่มีวันจบมันจะไม่มันจะลังคาไปเรื่อยๆถ้าอยากจะแก้อย่างจบก็อ ย, อย่างที่บอกต้องเข้าไปถึงต้นเหตุก็คือความหลงที่ทำให้เราเกิดความอยากพอเกิดความอยากเราก็จะทำบาปเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้แต่พอเรา มีเข้าไปถึงใ จ, งงจเข้าไปถึงจิตเข้าไปถึงบ้านของกิเลสปัญหาเราก็ไปฆ่าตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราต้องไปทำบาปก <c oughs> ็คือความอยากพอเราทํำลายความอยากได้เราก็จะไม่ต้องทําบาปอีกต่อไปเราทึงแ บ, บ่งเป็นสองท่านข่า น, นแรกเป็นท่านของปู้ชมรักษาด้วยการสมาทานด้วยการหักห้าจิตใจอ ท่านของพระายานิพพานเข้าไปทําลาต้นเหตุของการกระทันบาาก็คือตานหาต้นเหตุของการของตานหาก็คือความเหเยียดโดยหลัที่พาร่างกายเป็นตัวเราของเราถ้าถ้าปุถุชนเผลอเผลอใจอย่างเช่นเราโกรธเราไปชพัยบาทเขาแต่ยังไม่ปานาติบาศอย่างเช่นชาสาบแช่งเขาให้ไปตายที่ไหนก็ไปอย่างเงี้ยครับคือทุศีนไหมครับ ถ้าอยู่ในใจยังก็อ ย, อยังถือว่าผิดสีลเป็นบาป ท, ทางใจผลขอ ง, งบาป ท, ทางใจก็คือทำให้ใจเรารุ่มร้อนทางนัง้นแต่ยังไม่มีเวรไมมีกรรครับผมครับวันนี้มีคนคำถามเอยแนดงว่ารู้มากเลอ <c oughs> งมาฟังเกือบสุดปีแล้วม ง, งจนรู้หมดแล้วมันจะพูดอะไร เอา้าป่าออกมาเรารู้แล้วม า, มาอ่าวว่ามันไมยต้องเอามากับค่ะกลับเรียนท่าอาจารย์นะค ะ, อะตอนโยมเริ่มปฏิบัติใหม่ๆได้ไปทำบุญที่สวนแสงธรรมอะค่ะตอนนี้ได้ไปถวายอาหารพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระฝรั่งมาจากวัดป่าพัสาดาร์ตอนนี้คือจิตอยากจะลองดีกับพระ ตอนถวายอาหารเสร็จนะคะพระท่านก็เราก็ถอยถอยมานั่งผ้าจารย์ท่านก็จับน้ําผลไม้อะค่ะเป็นน้ําแอปเปิ้ลโยมก็อยากมีความรู้สึกก็อยากจะจะจะจะทราบว่าผ้าจาร์าาาาาาท่านจะทราบหรือเปล่าก็ <c oughs> เลยนึกในใจว่าเรานี่อยากอยากดื่มน้ําผลไม้ตรง น, นี้มากผ <c oughs> ้าจารย์ท่านก็มองหน้าโยมทันทีหรือทันทีที่ท่านจับท่านก็พูดว่า พระกระโยมชอบอาหารเหมือนกันแต่ท่านก็ยิ้มยิ้มโยมมีความรู้สึกว่าอันเหมือนติดค้างไม่ได้ขอข้ามาท่านนะคะเพราะหลังจากนั้นคือไม่ได้เจอพระท่านเลยค่ะไม่ทราบว่าท่านกลับไปวัดตาบ้านตาหรือว่าไปที่ต่างประเทศแล้ว่ะค่ะตอนนี้คือจะทํายังไงใจไม่สบายอะค่ะเราต้องกาที่ตัวเราเองไม่ได้กับใคไปขอขอาจท่านเพราะท่านไม่มีอะไรกับเรา แต่เรามันมีปัญหากัดตัวเราเอง mm hmm. ก็คือการคิดของเรา <Okay. S 2> เราก็ต้องแก้ที่ตัวเราค่ะ <Okay. S 2> ก็ต้องบอกว่าต่อไปนี้เราไม่ควรคิดแบบให้เรามีความสำนึญญกขึ้น <Okay. S 2> ถ้าค <Okay. S 2> ราอยากจะทําให้มันมีน้ำหนักก็ห mm hmm. ามาตรการลงโทษตัวเราเอง ยังไปอยู่จำศีลติคสักเดือ น, นการการที่คิดไปดีก็ลงโทษตัวเอเกิดไปขงคุสักเดือ น, นต่อไปมันก็จะได้ใกลาค่ะพระอาจารย์คะข้อที่สองนะคะอตอนนี้ที่ปฏิบัตินี่มันจะมีเพียงในเรื่องของผัสสะค่ะที่ที่มากระทบอยู่ตลอดบางครั้งก็จะใช้ในเรื่องของอคือว่าสัตว์แต่ว่านะคะแล้วก็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 ม, ม, มันจะสลับกันแต่ถ้าเราไปสอบทั้งนี้เรสอบอแล้วก็กลับมาทำการบ้านลแล้วก็ลองขับไปสอบแต่เคยทดสอบนะคะพระอาจารย์คือมีคนมาว่าเราตรงๆเลยว่ากระทบเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่มากจะเดินเข้ามาตกด้วยคือ ต, ตอนนั้นจิตเรารู้สึกเรานิ่งมากเลยไม่ไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกกลัวเลยก็ก็ปล่อยเขาถะก็บอกเขาว่าจะตกก็เข้ามาเลยเขาก็ก็เกิดไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะท่าน กเ็เหมือนเหมือนกาทดสอบตัวตัวเองก็จิตใจของเรามันก็บางทีไม่เวลาใดที่เราตั้งใจนี่มันก็ผ่าน В เวลาใดที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีเจอเรื่องไมนก็หุดได้เหมือนกัน น, นันก็อยู่ที่สติของเราที่จะตัองคอยตั้งรับเตรียมตัวรับกับทุกสิ่งทุกอย่างตองลอดเวลาเราต้องไม่สบายเราต้องคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ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 เดินไปเกิดฟ้าผ่าลงามาตายถูกฟ้าผ่าตายตอนนั้นทำใจได้หรือไม่อะไรต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะซ่อมอยู่เรื่อยๆพิชามาอยู่เรื่อยๆและพอเกิดเหตุการที่ขึ้นมามันก็จะสะ่านไปได้นะสบายขอบพระคุณค่ะ จะลบกวนถามว่าหลังจากสวดมนต์หรือทาบุญเสร็จแล้วอะค่ะการแผ่เมตตาด้วยจิตกับการกรวดน้านี่ให้อันนิสงต่างกันไหคะเป็นการกระทำต่างกันคือการกรวดน้ำนก็คือเป็นการแบ่งบุญที่เราได้ทำไว้ถ้าจาผู้ที่รู้ลับไปแล้วแต่เขาจะนิยมแบบงบุญด้วยการทาทางไม่ได้แบ่งบุญด้วยการภาวนา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 สมมตคราวนี้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเขาทาให้เราโกรธเราจะให้ไปพอได้หรือเปล่าอ น, นี้เป็นการซ้อมเวลาที่จะแผ่จริงๆต้อนเวลาที่เจอเหตุการณ์นั้นเช่นใครมาพูดมาด่าเราหรือมาทําอะไรให้กับเราต้องเสียใจเราให้ไปพอได้หรือเปล่าหรือเราจะน้อม <laughs> เนื่องจาการแผ่การแผ่ตามที่เราทํากันนั้นก็เป็นเป็นการทำการบ้านต้องทําการบ้านก่อนถึงจะเข้าห้องสอบได้ถ้าไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเวลาเข้าห้องสอบก็ไม่รู้จะทาทําตัวอย่างไรทําใจอย่างไรเวลาเจอคนที่ก็ทําทําเรื่องทํำราวให้เราต้องโกรธต้องเสีย อ, อกเสียใจเราก็จะทําไปตามอารมณ์ของเราก็คือเราจะโกรธแล้วเราก็อาฆาตไยาบา เวลาเราก็อาจจะไปพูดไปทําในสิ่งที่เสียหายท้ากับเขาและกับเราต่อไปแม้ว่าเราต้องซ้อมแล้ก่อนวนะ่าในกรณีนี้เขาทันอย่างนี้เราจะทันยังไงเราให้อภัยเป็นหรือเปเรายอมได้หรืา ย, ยอมแพ้ได้หรือเปล่าเราจะต้องชนะเสมอการชนะนี้พจ้าก็บอกเราว่าชนะตนดีกว่าชนะผู้อื่นเพราะว่าชนะผู้อื่นก็จะเป็นเวทีกรรมกัน แต่ถ้าชนะตนทุกอย่างมันก็จบชนะตนก็คือชนะความกลียชนะความอาท่าปริยบาาพอเราไม่อาท่าปริยบาทุกอย่างก็จบเขาะด่าเราก็ผ่านไปแล้วเพราะทาร้ายเรามันก็ผ่านไปแล้วแต่ถ้าเราไม่จบเราไปว่าเขาไปทําร้ายเขากลับเดี๋ยวเขากลับมาทําร้ายเราต่างคนต่างฝ่ายก็ต่างเทำไปทําำมาเดี๋ยวก็ถึงกับค่ากระตายในที่สุด แล้วพอไปเกิดชาติหน้าพวกหน้าเจอกันที่ไหนก็เจองเวรยนเจอากรรมกันต่อดังนันให้ใช้ตัดให้ตัดเจริญเมตตาแล้วเจ้ากรรมในเวียนแตกก็จะหมดไปมีคำถามหไหมแล้วนนี้ก็คิดว่า ยุดเพลงท่าน น, นี้ก็แล้วกันน ะ, ะขอให้ท่านทำ ง, งานมาเสร็ที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจะรณาไปปฏิบัติเพเื่อวารเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเธอ